2. การปล่อยวางเป็นเรื่องของปัญญาการปล่อยวางไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องนึกถึงมันจิตเมื่อมีปัญญาแล้วเขาปล่อยเขาเองเราบังคับให้เขาปล่อยไม่ได้นะถ้าเราบังคับให้เขาปล่อยได้มันก็จะเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาฉะนั้นหน้าที่ของเราเอาข้อเท็จจริงเอาความจริงของกายของใจมาตีแผ่ให้จิตมันดูดูสิกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยง กายนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์บังคับได้หรือไม่ได้จิตนี้เที่ยงไหมบังคับได้ไหมเอาของจริงให้ดูทุกวันเพราะเขาเห็นความจริงแล้วเขาวางเองหลวงพ่อยกตัวอย่างให้ฟังนะอย่างพวกเราในห้องนี้รู้สึกไหมว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจนี้ก็เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอันนี้เรายังปล่อยวางไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าเรายังไม่เห็นอริยสัจ อริยศาสตร์ก็คือขันห้าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ล้วนๆนะไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างแต่เรายังไม่สามารถเห็นอริยศาสตร์ได้เรายังเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเพราะฉะนั้นจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจไม่ได้แต่ถ้าเรามาหัดตามรู้ตามดูกายสมมติดูกายนั่งอยู่อย่างนี้นั่งให้สบายนะประเดี๋ยวทุกข์แล้วมันปวดมันเมื่อยเราก็ขยับตัว เปลี่ยนอิรยาบดไปหายปวดหายเมื่อยนั่งอีกพักหนึ่งความปวดความเมื่อยตามใหม่อีกแล้วขยับอีกเดียวก็ปวดอีกแล้วทั้งวันทั้งคืนนะความปวดความเมื่อยนี่ตามโจมตีเราทั้งวันทั้งคืนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนความทุกข์ตามบีบคั้นร่างกายตลอดเวลาอย่างเรานอนตอนกลางคืนนอนหลับไปเนี่ยร่างกายเรายังต้องพลิกไปพลิกมานะคืนหนึ่งตั้งสี่สิบห้าิครั้งทําไมต้องพลิกเพราะว่ามันทุกข์ ถ้าเรามีสติคอยรู้กายอยู่เนืองๆเราจะเห็นเลยว่ากายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลากายไม่ใช่ของดีของวิเศษของที่จะน่ารักเหมือนที่เราเคยคิดเอาไว้แต่กายนี้เป็นภาระกายนี้นำความทุกข์มาให้เยอะแยะเลยถ้าจใจเราเห็นแค่นี้เกิดยังไม่บรรลุมรรคผลในชาตินี้ก็ยังไม่เป็นไรในเวลาที่เราเจ็บหนักใกล้จะตายนี่จิตใจมันจะค่อยปล่อยวางได้มันจะไม่ทุรนทุรายว่าตัวเรากาลังจะตายแล้ว มันจะรู้สึกว่าตัวทุกขนี่กำลังจะแตกฉะนั้นจะไม่ทุรนทุรายที่เรียกว่าวางได้วางเพราะมีปัญญานะจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเห็นจิตนี้ไม่เที่ยงจิตเป็นทุกข์จิตเป็นอนัตตาถ้าเห็นได้อย่างลึกซึ้งจริงๆมันจะวางเองไม่ใช่หน้าที่ของเราไปช่วยเขาวางนะเอาข้อเท็จจริงให้เขาดูเขาวางเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละถ้าเขาไม่วางก็คื อ, อยังเรียนไม่พอ